เพราะฉะนั้นเรื่องของกามนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นข้อแรกว่าให้คอยระ ง, งับสังกัปปะคือความดำริหรือวิตกคือความปรุงคิดไปในทางการมซึ่งจัตตวะโลกทั้งหลายซึ่งมีจิตอยู่ในชั้นที่เป็น กามาว จ, จระจิตย่อมท่องเที่ยวย่อมตกอยู่เป็นประจำแล้วจึงมักจะคิดปรงุงหรือปรุงคิดในเรื่องนี้ขึ้นเนืองเนืองเมื่อเป็นดังนี้หากปฏิบัติเพื่อละอาสวะกิเลส ท, ที่ตองจิตดองจิตสันดาดก็ต้องปฏิบัติระงับเสียไม่รับเอาไว้ปฏิบัติ บรรเทาดับเสียและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อละอาสวะและจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาอันหนึง่งความดำ ร, ร, ดดริหรือความปรุงคิดคิดปรุงหรือความรึกนึกคิด ดังกล่าวมานี่ม่ใช่ในทางกรมเท่านั้นยังเป็นไปในทางพยาบาทอีกด้วยอันความพยาบาทนั้นคือความถึงผิดอันหมายถึงอาการที่จิตคิดายหมายล้างผล นี่เป็นความหมายของมยาบาทอย่างเต็มตัวแต่ว่าก็คลุมจนถึงปฏิฆะคือความที่จิตกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่พอใจอันแสดงอาการเป็นความหมงุดหงิดแรงขึ้นมาก็เป็นโกตะความโกรธเป็นความครึงเครียด แรงขึ้นมาอีกก็เป็นโทสะคือเป็นความเครื่อเคียดที่แรงขึ้นจนถึงก็เป็นความปรทุษร้ายแต่ก็ยังประทุษร้ายใจของตัวเองคือยังไม่คิดหมายล้างผลานออกไปข้างนอกแต่เมื่อโทสะนี่แ ร, แรงขึ้นจงคิดจนถึงคิดล้างผลานออกไปข้างนอกคิดที่จะตีเขา จะทำร้ายชีวิตร่างกายเขาเป็นต้นให้เขาจิบหายวัยวอดไปให้เจ็บช้ำลำบากไปให้สิ้นชีวิตไปดังนี้จึงจะเป็นพยาบาทอย่างเต็มตัวแม้ไม่เป็นพยาบาทอย่างเต็มตัวเป็นแค่ปฏิฆะหงุดหงิดหรือว่าโกทะเครื่งเครียดขึ้นมาหรือเป็นโทสะ ที่เป็นปรุษร้ายใจของตัวเองโกรธอยู่ในใจตัวเองก็ตามก็รวมเข้าในครนี้เมื่อบังเกิดขึ้นก็ต้องปฏิบัติบรรเทาดับระ ง, งับให้สิ้นไปไม่รักษาไว้ในจิตวิหิงสาวิตก ก็เหมือนกันก็เกิดจากความดำริความตรึกนึกคิดปรุงไปเพื่อวิหิงษาคือความเบียดเบียนวิหิงษาคือความเบียดเบียนนี้มีอธิบายต่างจากพยาบาทว่าเกิดจากโมหะคือความหลง มีความหลงเป็นมูลเช่นว่าเบียดเบียนเพื่อมุ่งสนุกเช่นการทำไรสัตว์ถือว่าเป็นการกีฬาเป็นการเบียดเบียนเพื่อความสนุกหรือว่าเบียดเบียนด้วยอำนาจโลภะเช่นว่าจ้างคนงานมาและบังคับใชยคนงานเกินไป ทั้งกลางวันกลางคืนเป็นต้นดังที่ปรากฏอยู่ในที่บางแห่งในบางครั้งบางคราวเป็นการทรมานผู้อื่นด้วยอำนาจของโลภะมุ่งที่จะให้ทำงานให้มากๆได้ทรัพย์มากปราศจากความเมตตากรุณาก็เป็นการเบียดเบียนหรือว่าการที่จะกระทำ อันใดอันหนึ่งก็ตามแม้ว่ามุ่งดีแต่ว่าเป็นการกระทําที่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นการกระทําไปแม้ด้วยอํานาจความเข่าหรือมุ่งดีดังกล่าวนั้นก็เป็นวิหิงสาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิหิงสาคือความเบียดเบียนนี้จึงเกิดจาก โมหะคือความหลงฉะนั้นการที่จะคิดปรุงหรือปรุงคิดอะไรก็ต้องไม่เห็นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนจะเป็นบุตรหลานของตนเองก็ตามจะเป็นบริวานของตนเองก็ตามจะเป็นผู้รับใช้ของตนเองก็ตาม ให้คิดปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมให้มีเมตตากรุณาแม้ในการใช้งานต่างๆดังนี้จึงจะต้องแต่ถ้าได้คิดไปให้เขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้หรือเบียดเบียนตรงๆอย่างไปทำร้ายสัตว์เป็นการเล่นกีฬา เป็นการสนุกรวมเข้าในวีหิงสาววิตกเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังวิตกข้อ น, นี้เมื่อบังเกิดขึ้นก็ต้องปฏิบัติบันเทาระ ง, งับดับให้หายไปอย่ารับเอาไว้ในใจอภุศลวิตกทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของสัตว์บุคคล อยาว่าเป็นประจำก็ได้น้อยหรือมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคอยระวังรักษาจิตของตนคอยบรรเทาระงับดับจึงเป็นข้อที่ต้องกระทำอยู่เสมอและทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันทั้งสามข้อบางทีก็มีการเป็นเหตุก็ทำให้มีพยาบาท มีวิหิงสาหรือมีโมหะเป็นเหตุก็ทำให้ได้ให้บังเกิดขึ้นในข้อวิหิงสาด้วยในข้ออื่นอีกด้วยในข้อโทสะก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องคอยระ ง, งับจึงจิตใจของตัวเองอยู่เสมอไม่รับเอาความดำริหรือความตึกนึกคิดเช่นนี้ไว้ สมไว้ในใจของตัวเองต้องระบายออกไปบรรเทาออกไประงับดับให้หายเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติเพื่อละอาสวะกิเลสที่ดองสันดานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทางความสงบสือต่อไปบัดนี้จาก แสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก, ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัส ก, การพระภูมิพระภาค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 ในธรรมจะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามสัพาสังวรสูตรตามสัพาสวสังวรสูตรพระสูตรที่ว่าใดการ สำรวมคือป้องกันระวังตลอดถึงอาสวะทั้งปวงนำสติปัะธานพระบรมศา ส, สดาได้ตรัสสอนให้ละอาสวะ ด้วยวิธีต่างๆคือด้วยวิธีทัศนะคือปัญญาที่รู้เห็นด้วยวิธีสํารวมอินทรีย์อันเรียกว่าอินทรียสังวรด้วยวิธีเสพ บ, บริโภค ปัจจัยสี่ด้วยการพิจารณาโดวยวิธีรับไว้อยู่ยับยังไว้อยู่คือใช้ขันติอดทนอดกลั้นโดวยวิธี เว้นด้วยวิธีบรรเทาตามที่ได้สแสดงอธิบายมาโดยลำดับนับได้หกวิธีและได้ตรัสอีกวิธีหนึ่งอันวิธีที่เคารพเจ็ด และเป็นวิธีในพระสูตรนี้ก็คือด้วยวิธีปฏิบัติอบรมอันเรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนานี้มาใช้ในภาษาไทยคล้ายกับ นึกอยู่ในใจบริกรรมอยู่ในใจกำหนดอยู่ในใจแต่อันที่จริงความหมายของคำนี้คือการปฏิบัติอบรมนั่นเอง ตามพยัญชนะก็แปลว่าการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นซึ่งมีความหมายว่าปฏิบัติได้ทำได้และในพระสูตรนี้ได้ตรัส ยกเอาโพธชงเจ็ดขึ้นมาว่าให้ปฏิบัติอบรมโพธชงเจ็ดโพธชงนั่นแปลว่าองค์แห่งความตรัสรู้เรียกวัดสำโพธชง ก็ได้ก็แปลว่าองค์แห่งความจัดสรู้พร้อมองค์ก็คือองค์คุณหรือองค์คตสมบัติแห่งความจัดสรู้คือนำให้ บังเกิดความกรัสรู้มีเจ็ดองค์คือสติสัมโพชงองค์แห่งความกรัสรู้คือสติธรรมวิจยะสัมโพชง องแห่งความตรัสรู้คือความเลือกเว้นธรรมวิริยะสัมโพชฌงองแห่งความรู้คือความเพียรปีติสัมโพชฌงองค์แห่งความรู้คือปีติความอิ่มใจ ความดูดดื่มใจปัตสัตติสัมโพชฌงองค์แห่งความรู้คือปัตสัตติความสงบสมาธิสัมโพชฌงองค์แห่งความรู้คือสมาธิอุเบกขาสัมโพชฌงองค์แห่งความรู้ คือความเข้าไปเพ่งรวมเป็นโพชชงเจ็ดประกาศหรือว่าเจ็ดองโพธชงเจ็ดนี้เป็นหมดธรรมะสำคัญ ทางปฏิบัติหมดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ตรัสแสดงรวมไว้ในหมวดธรรมสำคัญหลายหมวดเช่นในหมวดโพธิปัิยธรรม 37ประการก็มีพจนชงเจดนี้รวมอยู่ด้วยหมดหนึ่งในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งแสดงเป็นหลักปฏิบัติในที่นี้เป็นประจำมาทุกปี ก็มีโพชฌงรวมอยู่ด้วยหมดหนึ่งและที่ตรัดแสดงเนื่องเป็นสายเดียวกับสติปัฏฐานก็มีคือตรัดแสดงสติปัฏฐานส อดชงสืบไปถึงวิชาวิมุติในที่สุดและที่ตัดแสดงไว้ก็เพาะโพดชงเจ็ดนี้เพียงหมดเดียวก็มีเป็นอันมากเมื่อ รัดแสดงรวมอยู่ในหมวดใหญ่ก็มักจะต่อสืบเนื่องมาจากสติปัฏฐานสี่ซึ่งบ่งความว่าปฏิบัติในสติปัฏฐานมาก่อนจึงมาถึงโพชฌง แต่แม้ว่าจะตัดแสดงไว้หมดเดียวคือเฉพาะโพดชงเท่านั้นโพดชงข้อแรกก็นำด้วยสติคือสติสำโพดชงฉะนั้นแม้ในหมดโพดชงนี้เองก็เริ่มด้วยสติ ในที่ที่ตรัสรวมไว้ในธรรมะหลายหมดสืบเรื่องจากสติปัฏฐานสี่นี้ก็บ่งว่าการปฏิบัติในสติปัฏฐานย่อมมาก่อนจึงถึงโพชฌงและ ที่ตรัสแสดงไว้เฉพาะหมดพูดชงเท่านั้นก็เริ่มดูสติแต่ใช้คำว่าสติเป็นคำกลางๆกงข อ, อาจรวมสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เข้าด้วยได้ว่าเริ่มดูสติปัฏฐานสี่หรือแม้ว่าจะเริ่มดูสติ ที่ไม่นับเป็นสี่ข้ออย่างสถิติฐานสี่ก็ได้ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในการที่ทรงอธิบายโพชงเจดที่ยกขึ้นมาเพียงหมดเดียว ใช้ในการฟังธรรมกล่าวคือในการฟังธรรมนั่นก็ใช้วิธีปฏิบัติทางโพจชงนี้ได้ด้วยคือตรัสแสดงไว้โดยความว่า คอฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็ระลึกถึงธรรมะที่ฟังความที่ระลึกถึงธรรมะที่ฟังนี้ก็เป็นสติสัมโพชฌงองค์แห่งความรู้พร้อม ความระลึกได้ความกําหนดได้และก็วิจัยคือเลือกเฟ้นธรรมวิจัยคือเลือกเฟ้นธรรมที่สติระลึกได้นั้น จำแนกธรรมะออกเป็นกองเป็นส่วนว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่มีโทษนี่ไม่มีโทษนี่เป็นธรรมดำ นี่เป็นธรรมขาววิจัยจำแนกธรรมะที่ระลึกได้โดยสติออกเป็นกองกองดังนี้ก็เป็นธรรมะวิจยสสมโพธชงองค์แห่งความรู้คือธรรมวิจัยความเลือกเว้นธรรม และเมื่อได้วิจัยคือเลือกเฟ้นรู้จักธรรมะดังกล่าวก็เพียนละอกุศลละธรรมะที่มีโทษธรรมะที่ดำเพียน ปฏิบัติกุศลธรรมะที่ไม่มีโทษที่ขาวสะอาดก็เป็นวิริยะสัมโพชงองค์แห่งความรู้คือวิริยะความเพียรและเมื่อ เพียนละอากุศลเพียนปฏิบัติอบรมกุศลให้บังเกิดขึ้นดังนี้ก็จะได้ปีติคือความอิ่มใจความเออบอิ่มใจความหนูดดื่มใจในกุศล ในธรรมะที่ไม่มีโทษในธรรมะที่ขาวสะอาดที่ได้อบรมปฏิบัติให้มีขึ้นก็เป็นปีติสัมโพชงองค์แห่งความรู้คือปีติเมื่อได้ปีติก็ย่อมจะได้ความสงบกายความสงบใจ ก็เป็นปัจัทธิสัมโพธิชงองค์แห่งความรู้คือปัจัธิธิความสงบกายความสงบใจและเมื่อกายและใจสงบมีสุขก็ย่อมจะตั้งจิตเป็นสมาธิได้จิต ตั้งมันเป็นสมาธิรวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวสงัดสงบจิตจากกามและอกุศลและผัทั้งหลายก็เป็นสมาธิสัมโพชงองแห่งความรู้คือสมาธิ เมื่อจิตตั้งมันเป็นสมาธิความเพ่งดูสมาธิจิตสงบอยู่ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงองค์แห่งความรู้คืออุเบกขาความเพ่งจิตที่เป็นสมาธินี้สงบอยู่ จึงเป็นโพชิง์เจ็ดประการอันปฏิบัติเริ่มมาจากการฟังธรรมฉะนั้นแม้ในการฟังธรรมะที่เป็นเทศนาก็ดีที่เป็นบรรยาย อบรมก็ดีหรือแม้อ่านหนังสือธรรมะก็ใช้โพจชงนี้มาฟังมาอ่านได้คือว่าฟังหรืออ่านด้วยพจชงทั้งเจ็ดประการนี้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ เริ่มด้วยการฟังธรรมก็ฟังด้วยพชชงทั้งเจ็ดประการดังนี้และนอกจากนี้พระบรมศารรรรสดายังได้ทรงแสดงการใช้พชชงปฏิบัติในกรรมฐานต่างๆเป็นอันมาก ดังเช่นได้ตรัสสอนไว้ในการเจริญพรห ม, มวิหารทั้งสี่ประการคือแพ่จิตออกไปในเมตตาด้วยกรุณาโดยมุทิตาโดยอุเบกขาก็ ปฏิบัติด้วยโพชฌงก็คือปฏิบัติโพชฌงทั้ง7ประการนี้เองประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุทิตาประกอบด้วยอุเบกขาดังเช่นเมื่อตังกิตแผ่เมตตาออกไป